4. อตตะกามะปาริจริยศิขาบทถามทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะการกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามในอตตะกามะปาริจริยสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน